ยินเสียงแกนโนทูนเลย <laughs> สลูปก็สรุวมาเดียวนในเลยนะความหลงก็ได้ทํากับความหลงแล้วแล้วไปแล้วความทุกข์ก็ได้ทํากับความทุกข์ความทุกข์เล้วไปแล้วความโกรธก็ได้ทํากับความโกรธความโกรธเล้วไปแล้วอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจได้ทําแล้ว แล้วไปแล้วเหมือนเราหิวเข้ากินแล้วอิ่มแล้วแปลงฟันแล้วล่างมือแล้วเรายังมีมือเรายังมีฟันแต่มันสะอาดมันไม่มีอะไรมันไม่เป็นอะไรอย่างนี้เลยสรุปได้ไหม <laughs>